พร้อมทั้งจักรคสต萨พร้อมกับ ส, สัมภาระจักรคูก้อนใหญ่ก้อนเล็กไม่เท่ากันเนี่ยไม่ได้มาหนึ่งลูกแล้วก็เพิ่มอีกลูกเป็นสองลูกได้ตาคนละสองลูกแล้วแหมทุกไหมทีเห็นอย่างเงี้ยถ้าเห็นอะไรออกมาเงี้ยโอโ้โหเป็นทุกเลยใช่ไหมถ้าไม่เห็นจริงๆก็ไปแค่ไปแกะดูใช่ในโรงพยาบาลใหนขคดูหน่อยทีว่ามันจะได้เห็น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 โอ้ยชอบงามงามเหลือเกินตาก็ลึกลักลึกลั ก, ลกอย่ลองคิดดูนะมันงามอยากจะดูอ่ะถ้าโกรธขึ้นมาก็ทะลึงมองแข็งทื่อเลยนะเนี่ยลองคิดดูที น, oh, oh, นี่โอ้โหตาเรานี่ยวิ่งตามราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิชายิริกะอนุต บ, บทู oh, oh, ทัตเจะาโอ้โหตายน้าพวงยิงเนี่ยตัณหาก็ประกอ บ, บเเสร็จนั้นสร้างการรมเรียบร้อยโอ้โ oh, หปรุงแต่งอย่างละเอียดยิบเลยนี่ที่มีตัณหาเป็นเพื่อนน่ะ